นักรบนักหลบฉะนั้นจงพยายามฆ่ามันไปเรื่อยๆด้วยความเห็นโทษของมันพยายามแยกกันออกอุบายของสติปัญญาที่จะแยกกิเลสกับตัวออกต้องแยกอย่างนี้คือหาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายแง่หลายกระทงย่อมผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่หาอุบาย เอาอะไรมาแก้เครื่องผูกมัดตัวเรากับกิเลสก็กอดคอกันตายตลอดกับตลอดกันไม่มีวันผ่านพ้นกองทุกข์ความทรมานกายทรมานใจไปได้ท่านว่าวัตตะวนวัตตะเวียนไม่มีต้นไม่มีปลายคือไม่ทราบว่าต้นทางอยู่ที่ไหนปลายทางอยู่ที่ไหนวนเวียนกันอยู่เหมือนมดไตขอบดงที่วนไปเวียนมาไตาไปไตามาหาทางออกไม่ได้ เรื่องวัฏะสงสารกับหัวใจของสัตว์โลกมันก็วกไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นมาทีไรก็มาตื่นแต่ของเก่านั่นแหละเกิดเท่าไหร่ก็ว่าตนไม่เคยได้เกิดตายเท่าไหร่ก็ยังเข้าใจว่าตนไม่เคยตายไม่เคยทุกข์ไม่เคยลำบากมาแล้วเรื่องของตัวแท้ก็ไม่ทราบได้เมื่อเป็นเช่นนี้ยังจะอวดฉลาดให้กิเลสวัฏวลหัวรเราะเยาะเยอยู่หรือ ถ้าไม่อายตัวเองก็ควรอายกิเลสบ้างพอมีทางออกจากมันแม้ไม่ได้มากก็นับว่าเป็นผู้เห็นภัยความเห็นภัยและพยายามแก้ไขอยู่เสมอวันหนึ่งจนได้ที่จะทราบหน้าทราบตาของมันอย่างชัดเจนและพยายามแยกมันออกแยกกันออกตัวนี้ก็เห็นชัดตัวนั้นก็เห็นชัดตัวนี้ก็เป็นภัยตัวนั้นก็เป็นภัย ตัวไหนก็เป็นภัยสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้ก็เห็นว่าเป็นภัยพยายามเข้าไปเหมือนเราพยายามถอนเสี้ยนน้ำออกจากเท้าเรานี่แหละถอนออกมาได้แล้วนี่ก็คือน้ำที่ยังถอนไม่ได้ก็คือน้ำและจะนอนใจได้อย่างไรพยายามถอนออกถอนออกได้จนไม่มีอะไรติดอยู่ที่ฝาเท้า แล้วหายามาใส่เสียให้หายเป็นปกตินั่นกิเลสที่รู้เห็นแล้วก็เป็นอันรู้เห็นแล้วที่ค่าตายแล้วก็เป็นอันว่าตายแล้วที่ยังอยู่ก็คือกิเลสประเภทเดียวกันมันจะต้องเสียแทงจิตใจเราอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกันถ้าแยกไม่ได้หรือถอดถอนมันไม่ได้ความมุ่งมั่นความมุมานะที่จะแก้มันไม่ลดละ ย่อมแก้ไปได้โดยลำดับพระพุทธเจ้าทรงเป็นแนวหน้าแห่งนักรบสาวกอรหัตอรหันท่านเป็นลูกนักรบเราเป็นพุทธบริษัทก็คือลูกของนักรบอย่าเป็นนักลบก็เล้วกันให้เป็นนักรบไปเรื่อยๆสู้กันไปเรื่อยเราสู้เพื่อชัยชนะยกตนขึ้นจากหลมลึกจะยากลำบากก็ต้องยกจนขึ้นได้ถ้าเราไม่ยกใครจะยก เราไม่ถอนใครจะถอนน้ำออกจากตัวเองความเจ็บเป็นของเราเราเป็นผู้เจ็บการถอนหัวน้ำออกต้องเป็นเรื่องของเราเราเป็นผู้ถอนเราจะเป็นผู้หายจากความเจ็บปวดกิเลสเสียดแทงใจก็คือใจเรามันเสียดแทงอยู่วันยันค่ำคืนยันรุ่งเป็นของดีเมื่อไหร่จงพยายามถอดถอนออกเป็นลาดับลาดับ สติปัญญาคิดขึ้นมาหาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงต่างๆสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผลิตได้พิจารณาได้ต้องพิจารณาอย่านอนใจคิดคนขึ้นมาให้เกิดอุบายปัญญาต่างๆแตกแขนงออกไปไม่มีสิ้นสุดครูบาอาจารย์ก็เป็นแต่เพียงผู้แนะให้หรือหยิบยื่นอุบายให้ปัญญาก็ยื่นให้ทั้งดุลเราจึงเอาปัญญาทั้งดุลที่ท่านแสดงนั้น แจ้งออกโดยอุบายต่างๆเพื่อแตกแขนงออกไปนั่นแหละเป็นอุบายของเราแทแเรากินตลอดวันอวสานแห่งชีวิตก็ไม่หมดสิ่งใดที่เราผลิตขึ้นเองได้สิ่งนั้นเป็นสมบัติของเราแท้ใช้ตลอดไปไม่มีวันหมดสิน้น